หลงคะ่ะหลงพ่อแล้วรู้สึกว่าบางทีจิตอยากจะดิ้นออกจากอากุศลจิตแล้วก็กิเลสที่เกิดขึ้นนะคะอยากดีอะคะ่ะหลวงพ่ออยากดิน้นนั่นแหละกิเลสไม่ว่ากิเลสซ้อนกิเลสนะให้รู้ทันลงไปจิตอกุศลที่เกิดขึ้นก็เป็นอกุศลนั่นแหละเป็นอากุศลตัวที่หนึ่งอยากพ้นจากอากุศลตัวนี้นี่อกุศลตัวที่สองสดสดร้อนรอนให้รู้ตัวที่เป็นปัจจุบันไว้ การให้รู้ใจที่อยากดิ้นไหมอกขุศลตัวแรกที่เกิดขึ้นนั้นเป็นอดีตไปแล้วเก่าโบร่ำโบราณพยายามรู้ลงปัจจุบันไปแล้วง่ายง่ายจริงๆนะไม่ได้พูดให้กําลังใจหรอกแต่ว่ามันง่ายคําว่าง่ายเนี่ยไปหาครูบาอาจารย์แต่ก่อนๆท่านก็ย้านักย้าหนานะว่าไม่มีอะไรหรอกไม่มีอะไรหรอกอย่เงี้ย ไปหาหลวงปู่สุวัตตอนนั้นบวชแล้วทรนษาแรกออกพรรษาแล้วไปหาท่านท่านบอกมันมีเท่านี้แล้วไม่มีอะไรแล้วจะหามันทำไมค้นคว้ามันทำไมอีกนะมันหมดเท่านี้แหละใจเราก็ไม่ยอมนะรู้สึกความรู้อย่างน้อยเ <c oughs> นี่กิเลสรู้สึกรู้น้อยไปอยากรู้เยอะกิเลสนะ <c oughs> เราไม่เห็นใจเราก็ดิ้นอีก รูบาจารย์ทุกองเลยบอกว่าง่ายคือพอเรามีสติสามารถรู้กายรู้ใจนะโดยสติเกิดขึ้นเองไม่ได้เจตนาให้เกิดระหว่างที่รู้กายรู้ใจจิตก็มีสัมมาสมาธิตั้งมั่นอยู่ตังหากจากอารมณ์นะเห็นอนาะรมณ์เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงทํางานไปจิตใจตั้งมั่นอยู่ตังหากไม่ไม่หลงถลํมไปตามอารมณ์เรามีสติรู้่ารมมีใจตั้งมั่นเป็นกลาง สักว่ารู้สักว่าเห็นไม่มีวิธีปฏิบัติอะไรที่ยิ่งกว่านี้ละแต่ก่อนเราภาวนาเราก็รู้สึกทำไมมันไม่จบสติวโเอห์เนะที่ว่าถามครูบาอาจารย์จะทายังไงอีกจะทำยังไงอี ก, ออกแต่หลวองค์บอกว่ามันเหมือนผลไม้ต้องรอเวลาสุกงอมอย่าไปรีบเก็บมาบ่มมันไม่หอมไม่หวานเนี่ยสอนอย่างนี้นะเราก็รู้สึกในใจนะ ไม่เถียงท่านหรอกในใจก็ตัดท้อหน่อยๆว่าผลไม้ลูกนี้ทําไมสุกยากจัง <c oughs> ไปหาครูบาอาจารย์นแต่หลวงปูดูลยังอยู่เลยว่าทํำยังไงจะยิ่งกว่านี้จะมีวิธีปฏิบัติอะไรที่ยิ่งกว่าการมีสติรู้กายรู้ใจเป็นปัจจุบันแล้วก็เป็นกลางเนี่ยครูบาอาจารย์บอกไม่มีก็ต้องรอท่านท่านแรกก็ฝึกศึกษานะให้สติเกิด พอสติเกิดแล้วก็ศึกษาอีกอันหนึ่งศึกษายังไงจิตมีสัมมาสมาธิตั้งมั่นเป็นกลางสักว่ารู้สักว่าเห็นศึกษาสองตัวนี้มิธีศึกษาให้สติเกิดง่ายๆให้คอยรู้ทันสภาวะไปเรื่อยๆอะไรเกิดขึ้นในกายคอยรู้สึกอะไรเกิดขึ้นในจิตใจคอยรู้สึกรู้สึกไปเรื่อยๆส่วนสัมมาสมาธิอาศัยการเรียนรู้เรื่องจิตเรียกว่าจิตตศิขา ในตำรานะตำราโบราณพอพูดถึงจิตศิกขานเนี่ยสอนตำราเกีย่ยวกับการเข้าฌานการเข้าฌานนะเป็นวิธีทำให้เกิดสัมมาสมาธิสำหรับคนที่เข้าฌานได้แล้วคนที่เข้าฌานไม่ได้ละ่ะทำไมตำราไม่สอนไว้บ้างแท้จริงมันก็มีวิธีการให้เรารู้ทันใจที่ไม่ตั้งมั่นมันจะตั้งมั่นของมันเองนี่ง่ายขนาดนี้เห็นไหม งการดูจิตดูใจตัวเองนี่นะมันเลยเหมาะกับคนทําฌานไม่ได้เหมาะกับคนยุคนี้คนยุคนี้จะทำฌานได้ไงวันๆหนึ่นงคิดมากพวกคิดมากก็เลยต้องดูจิตเอาพอดูจิตลงไปนะสติเกิดเนี่ยวมันจําสภาวะได้พอดูจิตลงมาจิตมันเคลื่อนไปก็รู้จิตถลําไปก็รู้ในจิตค่อยตั้งมั่นขึ้นมาไม่เคลื่อนไปไม่ถลําไปเกิดสัมมาสมาธิขึ้นมานะงั้นดูจิตอย่างเดียวนี้แหละสติก็เกิด สัมมาสมาธิก็เกิดเสรทคิริโอตปาคก็เกิดนะละายบาปเกงรงกลัวต่อ บ, บาปว่ากิเลสเกิดในใจก็เห็นแล้วรู้สึกน่าเกลียดน่าเกลียดรู้สึกไหมก็เห็นนะละอายตัวเองนะตัวเองยังตีเตียนตัวเองได้เลยอย่าว่าแต่คนอื่นจะติเตียนปิดบังความชั่วของเราแม้คนอื่นเห็นได้นะแต่ตัวเองเห็นตีเตียนตัวเองได้ ถ้าเรามีสติรู้ลงมาที่จิตที่ใจอย่างเป็นกลางกิเลสเกิดขึ้นเราเห็นมีฮิริโอตปะศีลก็จะเกิดขึ้นเองศีนอัตโนมัติการนี้ศีลเรียกว่าอินเซียสังวรศีลศีลไม่ใช่ศีล5ศีล8แต่ว่าเป็นศีลหถ้าจะอยากใส่เลขนะคือศีล6คือความเป็นปกติในการรู้อารมณ์ทางตาหูจมูกลิน้นกายใจ เราเขามีศีลห้าเรามีศีลหก็ได้นะศีลหนี่ครอบคลุมหรือจะเรียกว่าศีลหนึ่งก็ได้เป็นอินทรียสังวรสํารวมอินทรีย์สํารวมอยู่ที่ใจเรานี่เองใจแสบสายดินน้นรนรู้ทันรู้ทันรูทันไปนะอกุศลครอบงําจิตไม่ได้ก็ไม่ผิดศีลเองอัตโนมัติรู้เท่าทันจิตจิตเคลื่อนไปก็รู้จิตถลําไปก็รู้นี่สัมมาสมาธิก็เกิดอัตโนมัติ รู้จิตรู้ใจอยู่ก็เห็นจิตใจทำงานทั้งวันทั้งคืนเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายนี่มีเที่ยงบังคับไม่ได้เลยเป็นอนัตตานี่เป็นปัญญางั้นเราดูเข้ามาให้ถึงจิตถึงใจนะเราก็จะได้มีทั้งสติมีทั้งศีลมีทั้งสมาธิมีทั้งปัญญาดูต่อไปถึงวิมุติรับรองอย่างหนึ่งนะว่าดูอะไรอะไรไม่ถึงวิมุตตแท้หรอก ต้องถึงจิตถึงใจถึงจะเป็นวิมุติแท้ๆยังดู ก, กายเนี่ยเห็นกายไม่ใช่ตัวเราปล่อยไหมละศักระยะที่เถียงไม่ได้เลยพระพุทธเจ้ายังบอกคนศาสนาอื่นนะคนนอกธรรมวิไนนี้สามารถเห็นว่ากายไม่ใช่ตัวเราแต่ไม่สามารถเห็นว่าจิตไม่ใช่เรานะให้เราเรียนนะตัดตรงเข้ามาถ้ามีกําลังพอนะเรียนตัดตรงเข้ามาให้ถึงจิตถึงใจเลยถ้าจิตไม่ใช่เราในะในโลกนี้จะไม่มีอะไรเป็นเราอีกแล้วนะถ้าไม่ยึดจิต ในโลกนี้ก็จะไม่ยึดอะไรอีกละเพราะฉะนั้นตั้งแต่ขั้นต้นเลยนะขั้นโสดาบันเนี่ยถ้าทะลุทะลวงเข้ามาเรียนให้ถึงจิตถึงใจล่าความเห็นผิดว่าจิตใจเป็นเราขันห้าก็จะไม่ใช่เราในขั้นสุดท้ายนะจิตใจเนี่ยเหมือนเมล็ดพันธุ์ของต้นไม้ขั้นถาอนาณาคาร ะ, ะความยึดในร่างกายอะไรเงี้ยเวทนาทางกายอะไรก็ไม่ค่อยจะยึดถือแล้ว ไม่หวั่นไหวไม่กระเพื่อมมันมายึดอยู่ที่จิตนี่พอละความยึดถือจิตนี่ยก็จะไม่ยึดถืออะไรอีกถ้ายังยึดถือจิตอยู่เนี่จิตดวงเดียวนี้แหละเป็นเมล็ดพันธุ์อย่างลงไปในภพทั้งหลายก็จะสร้างขันห้าขึ้นมาได้อีกงอกขึ้นมาเป็นขันห้าได้อีกนะเพราะฉะนั้นต้องทําลายเชื้อพันธุ์ในจิตนี่เองเชื้อพันธุ์ของจิตที่ทําให้จิตมียางเหนียวก่อเกิดขึ้นมาได้อีกก็คือตัวอวิชชา ความไม่รู้แจ้งอริยสัจความไม่รู้แจ้งอริยสัจข้อที่หนึ่งความไม่รู้แจ้งทุกทุกคืออะไรคือขันห้าตราบใดที่ไม่รู้แจ้งขันห้าโดยเฉพาะไม่รู้แจ้งจิตนะจะข้ามภพค้ามชาติไม่ได้ยังจะต้องเวียนว่ายตายเกิดแต่ถ้าแจมแจ้งไว้จิตนี้ทุกข์ล้วนร้วนบางคนเห็นมันทุกข์ล้วนๆนเพราะมันไม่เที่ยงเห็นมันทุกข์ล้วน้วนเพราะมันถูกเสียดแทงบีบคั้น เห็นมันทุกรล้วนเพราะไม่ใช่ตัวเราบังคับไม่ได้เห็นเพียงแง่ใดแง่หนึ่งนะจิตก็จะสลัดคืนจิตให้โลกไม่ยึดถือจิตอีกเพราะฉะนั้นการภาวนาถ้าเรามีกำลังพอเราก็ตัดตรงมารู้จิตมันจะได้ตั้งแต่เบื้องต้นเลยได้ตั้งแต่มีสติขึ้นมามีศีลสมาธิปัญญามีวิมุติเป็นลำดับลาดับไปภูบาจารย์หลายองค์นะในวัยหนุ่มหนุ่มเนี่ยเวลาสอนจะสอนดูกายทาสมาธิ มีนิมิตหนึ่งวันอย่างนี้นะลงท้ายพอท่านฉลาดภาพเนี่ยท่านท่านคัดธรรมะออกมากรองธรรมะออกมาเลือกครีมจริงๆนะลงมาที่จิตอันเดียวนี่เองหลายองค์นะอย่างหลวงปูดด่ดูลิ้นพูดเรื่องจิตมานานท่านภาวนาได้เร็วมากใช้เวลาไม่นานพรรษาหนึ่งอะไรเงี้ยนะัก็ได้ละบางองค์ก็หลายพรรษาอย่างหลวงปู่เทส หลวงปู่เทศใช้เวลานานเพราะว่าท่านติดสมถะอยู่13บสามปีติดสมาธิเนี่ยอยู่13ปีนั้ในครูบาอาจารย์สายวัดป่าที่ชำนิชำนาญเรื่องสมาธิจริงๆนะเนี่ยหลวงปู่เทศเนี่ยชำนาญหาตัวจับยากสุดท้ายท่านก็มาสอนบอกว่าการปฏิบัติเนี่ยถ้าเข้าถึงจิตถึงใจนะถึงจะได้แก่นส า, สารสาระของการปฏิบัติสรุปลงมาตรงนี้หลวงปู่เหรียนก็เหมือนกันนะสมัยท่านอายุยังไม่มาก หลวงพ่อเจอท่าน ++++60, เจสิอะไรเงี้ยไปหาท่านที่วัดอรันอรันบรรพแตอนนั้นกุฏิท่านอยู่ข้างล่างใกล้ริมโขงแต่หลังนี้ย้ายขึ้นไปอยู่ข้างบนคนละฝากถนนกันถนนนั้นมันผ่ากลางวัดนะวัดอยู่มาก่อนถนนมาผ่ากลางวัดวัดเลยมีวัดบวนวัดล่างเดิมท่านอยู่ข้างล่างไปหาท่านข้างล่างท่านก็สอนนะ พิจารณาลงในกายพ้นว้าลงในกายนี่กายนี้เป็นที่ตั้งของกามเนี่ยสอนสอนสอนพายุเยอะๆขึ้นมาพูดแต่เรื่องจิตอีกแล้พูดแต่เรื่องจิตหลวงปู่ทาผู้เฒ่าเพิ่งสิน้นเพิ่งเผาไปไม่นานก็สอนสั้นนิดเดียวบอกมีสติรักษาจิตหลวงพ่อเทียนก็สอนนะบอกว่าถ้ารู้ว่าจิตชิดได้ต้นทางของการปฏิบัติการดูจิตเป็นวิธีปฏิบัติที่รัดสั้นที่สุด นี่ทำไมครูบาอาจารย์แต่ละองค์แต่ละองค์สุดท้ายเจาะลงมาตรงนี้หมดเลยแต่เติมตอนหนุ่มๆนั่นจะเรื่องอย่างอื่นนะเรื่องกายเรื่องสมถะเรื่องอะไรเงี้ยสุดท้ายคือคลีมจริงๆเลยจะลงมาตรงนี้เองนี่พวกเรามีโอกาสเรียนเรื่องจิตแล้วอย่าเอาทิฏฐิมานะมาใช้หลายคนเอาทิฏฐิมานะนะวันนี้มาไม่จะเปิดโปงในป้อในป้อตัวอย่างในป้อมาเรื่อยๆนะเปิดโปงในทางดีนะไม่ได้ทางร้าย ไปเรียนกับหลวงพ่อตั้งแต่เมืองการเราให้ดูจิตดูจิตไม่ได้องค์น้นว่าอย่างนี้องค์นี้ว่าน้นต้องสมาธิแล้วก็มาดูกายอะไรเนี้ยนะสุดท้ายทำมาตั้งหลายปีไม่เห็นจะดีขึ้นเลยนะวันหนึ่งหายดื้อมันดูดูเขาอ้อาวดูเป็ดละโธรู้แล้วว่าง่ายรู้แล้วว่าง่ายง่ายจริงๆไปไหนเราก็รู้ทันใจของเราใจเราก็เพิ่มหวั่นไหวยินดียินร้ายรู้ไปเรื่อยๆนะไม่ได้มีอะไรเลยง่ายจะตายไป ถ้าไม่เห็นจิตว่าเป็นเราก็ไม่เห็นว่าสิ่งใดเป็นเราถ้าไม่ยึดจิตก็ไม่ยึดสิ่งใดอีกแล้วนี่บางคนไม่มีกําลังพอที่จะดูให้ถึงจิตถึงใจอันนี้จําเป็นก็ไปดูอย่างอื่นไปดูกายดูเวทนาแต่จะดูกายดูเวทนาได้ดีต้องทําสมาธิก่อนเฉั้นบางคนมาเรียนกับหลวงพ่อก็ไม่ได้ห้ามนะให้ทําสมาธิไปบางคนต้องทําสมาธิทําสมาธิแล้วก็รู้กายไปรู้เวทนาไปแล้วแต่ ผลิตนิสัยของแต่ละคนไม่เหมือนกันคนไหนดูจิตดูใจได้ก็ดูเข้าไปเลยหนะลวงปู่สุวัตเขียนอันนี้ถ้าไม่ได้พูดไม่ได้ยินกับหูไม่ได้ไม่ได้ดินท่านพูดด้วยตัวเองแต่เห็นท่านเทศไวนะ้เขาถอดเทปมาเทศบอกตอนท่านไปหาหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นสอนท่านบอกว่าดูจิตได้ก็ดูจิตดูกายได้ก็ดูกายนะดูจิตก็เพื่อรู้กายไอ้ดูกายเนี่ยเพื่อรู้จิต รู้จิตเพื่อรู้จ or, ิ so จตให้ยิ่งขึ้นไปรู้จิตให้ยิ่งขึ้นไปก็คือจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งที่หลวงปู่ดูลเขียนไว้ประกาศไว้จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นมรรคความจริงท่านพูดแบบออมๆถ้าพูดแบบเปิดเผยสุดขีดจะต้องพูดใหม่ว่าจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นอรหัตมรรคเลยไม่ใช่มรรคต้นๆเลยนะแต่เห็นจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นอรหัตมรรคได้มรรคเบื้องต้นก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรไม่เห็นได้ หลายคนนะัภาวนาไปเรื่อยๆดูจิตดูใจไปเรื่อยๆนะถ้าพวกพระเล็กเด็กน้อยพวกที่ยังไม่เข้าใจธรรมะนะก็จะบอกใช้ไม่ได้ดูจิตใช้ไม่ไดนะ้เวลาเข้าถึงตัวครูบาอาจารย์คนะรูบาอาจารย์บอกดีใช้ได้ใช้ได้นะพูดอย่างนี้นะอย่างหลวงพ่อนะเข้าไปหากระทั้งอาจารย์มหาบัวไม่เห็นจะว่าอะไรเราหรืนะยังคุณปิวคุณผิวรู้จักไหมคุณผิวก็ดูจิตลูกเดียวเลยนะ ไปเจออาจารย์มหาบัวไปเล่าให้ท่านฟังนะท่านบอกเลยผู้หญิงคนนี้ยังไงก็จบถ้าเป็นเป็นผู้ชายเป็นพระนะท่านไล่เข้าป่าเลยให้แตกหกักให้จบจบไปเลยสอนขนาดนี้แล้วท่านก็สอนบอกว่าให้บริกรรมกำกับไว้ที่ตัวผู้รู้นะบริกรรมกำกับเอาไว้เลยแล้วก็ดูจิตไปดูจิตไปโดยการบริกรรมท่านเคยสอนหลวงพ่ออย่างนี้เหมือนกัน เพราะว่าตัวท่านท่านใช้ประโยคนี้เลยจำแม่นติดหูติดใจตอนนั้นไปถามท่านท่านบอกต้องเชื่อเรานะเราผ่านมาด้วยตัวเราเองอะไรอะไรก็สู้บริกรรมไม่ได้บริกรรมกำกับเข้าไปที่จิตนี่แหละแล้วดูมันไปนะไม่งั้นจิตมันไม่ตั้งมั่นอันนี้ท่านผ่านมาด้วยวิธีนี้เพราะนั้นใครภาวนามาท่านก็จะพามาตรงนี้นะก็ถูกนะถูกแต่คุณปิวก็ไปกราบเรียนท่านบอกว่า เดินมาตั้งแต่แรกไม่ได้เดินด้วยวิธีนี้นะขออนุญาตเดินอย่างที่เคยเดินไม่ได้ไปโอหังกับครูบาอาจารย์นะว่าฉันก็แน่นะฉันดูจิตผ่านมาตลอดนะไม่ได้ไปโอหังผู้ภาวนาผู้ปฏิบัติไม่มีโอหังกับครูบาอาจารย์มีแต่นอบน้อมโอ้ยเคารพน้าเอาหัวไปเช็ดเท้าท่านได้เลยเกิด <c oughs> ขาท่านเปียกๆนีเ่เอาหัวเช็ดให้ได้เลยอานะจารย์อนุสอนลูกศิษย์หลวงพ่อถุย มาหลายเดือนมาเรียนอยู่หลายเดือนอาจารย์มหาบัวเข้าไปวัดหลวงพ่อถุยทุกเดือนเข้าไปเราก็ตื่นเต้นถามท่านแล้วอาจารย์มหาบัวสอนอะไรครูบาอาจารย์ท่านแต่ก่อนเรียกเรียกว่าท่านอาจารย์พระมหาบัวนะเดี๋ยวนี้ไปเรียกท่านหลวงตาบัวท่านไม่ใช่หลวงตาสุหน่อยอย่างหลวงพ่อเนี่ยถ้าเรียกต้องเรียกพระหลวงตา คนที่เคยมีครอบครั ว, วนะบวชเรียกพระหลวงตาของท่านถ้าจะเรียกต้องเรียกหลวงปู่บัวแต่ยุคนนั้นก็ไม่เรียกหลวงปู่บัวเพราะมีหลวงปู่บัวอยู่อีกองหนึ่งก็เลยเรียกท่านว่าท่านอาจารย์พระมหาบัวถามว่าแล้วท่านอาจารย์พระมหาบัวท่านสอนอะไรวานรสอนบอกสอนให้ดูจิตตัวเอง สอนอยู่เรื่อยๆสอนอยู่ทุกเดือนทุกเดือนที่ผมฟังไม่เห็นจะต่างกับที่ท่านอาจารย์พูดตรงไหนเลยนะงั้นจริงๆแล้วธรรมะลงรอยกันนะลงรอยเป็นเนื้อเดียวกันเลยขอให้ภาวนาให้ได้ดีๆเถอะภาวนาไปคอยรู้ทันจิตรู้ทันใจอย่าคิดมากการภาวนาจริงๆไม่มีสายนะเริ่มต้นบางคนดูกายบางคนดูจิตแต่ถ้าดูเป็นรัศฐิเกิดอันเดียวกันสัมมาสมาธิอันเดียวกัน พอมีสติพอมีสัมมาสมาธิแล้วไม่มีสายแล้เดี๋ยวสติก็รู้กายเดี๋ยวสติก็รู้จิตรู้เองเลือกไม่ได้รู้สึกไหมเลือกไม่ได้ถ้าเลือกได้ก็เป็นอัตตาสิถ้ายัางรู้สึกเลือกได้นะอย่ามาพูดเรื่องมรรคผลนิพพานในชีวิตนี้เลยยังเลือกได้อยู่ก็ยังเป็นอัตตาอยู่ก็จะเห็นเลือกไม่ได้แล้วเราคอยรู้ค่อยดูไปนะถ้าดูไม่ไหวดูจิตใจไม่ออกจริงๆก็ดูร่างกายไป เห็นร่างกายนี้ยืนเดินนั่งนอนไปตัวที่ยืนเดินนั่งนอนไม่ใช่ตัวเราหรอกเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าเนี่ยเห็นหต้องมีจิตไปรู้เข้านะครูบาอาจารย์วัดป่าเรียกว่ามีจิตผู้รู้วันมีคนถามแต่ไม่ได้ถามที่นี้ถามบอกว่าเนี่ยฟังที่ท่านอาจารย์พูดแล้วเนี่ยจิตผู้รู้เนี่ยนะเมื่ออบรมเต็มที่แล้วเนี่ยนะมันตั้งมั่นเด่นดวงบริสุทธ ไม่ยึดอะไรเลยไม่ยึดขันผมมีความเห็นอย่างนี้ใ ช, ไใชออ่ไม่ใช่หรอกไม่ในชะ่หรอกถ้ายังยังรักษาจิตผู้รู้อยู่ก็ไม่เรียกว่าปล่อยวางขันจริงก็ยังยึดขันอยู่นั่นเองจิตผู้รู้ก็เป็นขันนะตรงจิตผู้รู้ตั้งมั่นเด่นดวงสว่างสวัยพองใสแต่ไม่ได้บริสุทธิ์ประพัดสอนกับบริสุทธิ์เนี่ยไม่เหมือนกันตัวจิตผู้รู้เนี่ย ของใสเรียกว่าประภัดสอนมันสร้างมองเพราะกิเลสที่จอนมาแต่ตัวจิตผู้รู้ไม่ได้บริสุทธิ์จิตที่บริสุทธิ์คือจิตที่ไม่ยึดจิตแล้วงั้นไม่ใช่จิตผู้รู้นะไม่ตั้งอยู่กับรู้หรอกไม่รักษารู้ด้วยเนี่ยคาครูบาอาจารย์นะแต่ละคําแต่ละคํานะเวลามันมาสู่ใจเรามันจะเพี้ยนหลวงปู่มั่นถึงสอนไว้ธรรมะเข้ามาสู่จิตปุถุชนแล้วกลายเป็นสัตธรรมปฏิรูป เป็นธรรมะเพี้ยนเพียนอัตโนมัติเลยเพราะอะไรเพราะว่าโดยพื้นฐานเรารู้สึกยึดมั่นในความมีตัวมีตนเวลาฟังธรรมะทีไรจะต้องแปลให้เข้ากับตัวกับตนให้ได้เพนะนเช่นจิตผู้รู้ก็ต้องตั้งมั่นเด่นดวงอยู่างนีแ้แล้วเรามีความสุขอยู่งี้นะลึกๆคือมันมีมันยึดเราไม่รู้จะยึดขันไหนแล้วก็ยึดเอาจิตผู้รู้นี่แหละนะนะยึดเอาจิตผู้รู้นี่แหละ เพราะงั้นคอยมีสตินะคอยมีสติคําว่ามีสติก็คือไม่ลืมตัวเองไม่ลืมกายไม่ลืมใจพอมีสติแล้วเราก็คอยรู้กายรู้ใจไปรู้กายได้ก็รู้กายรู้ใจได้ก็รู้ใจถ้ารู้จิตใจได้ก็รู้จิตใจไว้ก่อนถ้าไม่มีแรงก็รู้กายถ้ารู้กายไม่ไหวก็ให้ไปอยู่กับอารมณ์อะไรก็ได้ที่เป็นกุศลเช่นอ่านหนังสือธรรมะอะไรเงี้ยให้จิตใจพักผ่อนหรือทําสมถะ หลวงพ่อเองก็ภาวนามาอย่างนั้นตั้งแต่เป็นคารวเาฉะนั้นเวลาที่มาที่นี่สังเกตไหมคารวะาจะอ้าปากไม่ขึ้นอยู่เรื่องหนึง่งว่าดิฉันเป็นคารวะาเลยทำไม่ได้อย่างพระพูดไม่ออกนะเพราะหลวงพ่อภาวนาตั้งแต่เป็นคารวะาแล้วพระยังมาถามเลยว่าโยมทำได้ยังไงทำไมเร็วเร็วเพราะเราทำได้แต่ตื่นตื่นขึ้นมาเราก็ดูของเราลูกเดียวเลยนะรู้ไปเรื่อยเรๆไป เวลาทํางานที่ต้องคิดหรอกเวลาที่ต้องคุยกับคนหรอกนั้นน่ะภาวนาไม่ได้มันเป็นเวลาที่ต้องไปอยู่กับความคิดงั้นเราก็พยายามคุยให้น้อยๆใครมาชวนคุยไม่ชอบนะเบื่อที่สุดเลยคนมาชวนคุยมันติดนิสัยมาจนเดี๋ยวนี้งั้นสังเกตไหมหลวงพ่อไม่ชอบให้ลูกศิษย์พูดมากใครถามเกินหนึ่งนาทีนั้นรู้สึกพูดทําไมอ่ะพูดเรื่องไม่มีสาระอะไรเลยถ้ารู้ทันว่าอยากพูดนี่สิสาระ พูดอย่างนี้เขาเรียกว่าอะไรนะตีปลาหน้าใสจะได้ไม่ถามมากฟังไปเถอะอย่าถามมากถามมากก็เพราะคิดมากคิดมากก็รู้น้อยนะงั้นรู้ไปเรื่อยๆฟังไปแล้วรู้ไปฟังไปแล้วรู้ไปแป๊บเดียวก็เข้าใจแล้วง่ายอยู่ตายไปหลวงพ่อก็ทํามาตั้งแต่เป็นโยมตื่นเช้ามาก็ดูไปตอนทํางานเนี่ยโอ้โหทํางานหลายชั่วโมงต้องคิดเนี่ยพอทางานไปช่วงหนึ่งแล้ว งงลนะดูจิตใจก็ไม่ไหวแล้วนะเราเบรกตัวเองเราทำงานจดจ่ออยู่สักชั่วโมงนะาทำเป็นลุกไปห้องน้ำหัวหน้ากองก็พูดพูนปลามโมดนี่เข้าห้องน้ำบ่อยก <c ười> ินน้ำเยอะเนี่ยก็ใช่สิเจตนานะมันคือการเบรกตัวเองไม่ให้ทำงานแบบงงงายจนทั่งลืมไปเลยแต่ว่าถ้างานอะไรเร่งด่วนอะไรเนี้ยจำเป็นต้อง หรือซับซ้อนมากอะไรนี่นะก็จดจ่อจริงๆทั้งงานกิ๊กกิ๊กก๊อกกอกนะแทแล้วเราก็ลุกบ้างแต่เอกชนไม่ได้นะลุกมากเดี๋ยวเขาไล่ออก <c oughs> เคยไปดูบริษัทสับ ป, ปะรดกระป๋องตอนเช้าเนี่ยพนัก ง, งานเข้าทำงานนะแจกคูปองสองใบทำคูปองอาหารเหรอเปล่าครูปองเข้าห้องน้ำครั้งหนึ่งไม่ให้เกิน5นาทีถ้าเกินเนี่ยวันนั้นจะตัดเงินค่าจ้างรายวันนะอหโหด หมสุดๆตอนนี้มันคงลงกระป๋องไปแล้วเ <c oughs> คิคนจิตเวลาเราทํางานหนังๆเนี่ยหัวหมุนหมุนดูจิตไม่ออกล้ตอนลุกขึ้นมานะรู้กายไปก่อ น, น <c oughs> เวลาเราจะลุกจากเก้าอี้เนี่ยเราขยับมือก่อ น, นะจะขยับมือเห็นไหมเวลาเราจะลุกเก้าอี้เราจะขยับมือก่อ น, นไม่ใช่ขยับขาก่อนนะขยับขาก่อนหัวจิ้มล้วขยับมือก็ขยับตัวเนี่ยขาขยับดีหลังด้วยซ้ำไป ลุกไปห้องน้ำเดินไปเห็นร่างกายนี้เดินไปนะไม่ต้องทำอะไรหรอกเห็นตัวนี้มันเดินไปอย่างเดียวนะผู้รู้ก็ยังไม่แยกออกมาเพราะมั่วซั่วนะดูไม่ออกหรอกมันปนๆกนันแ ค, แค่รู้สึกว่าไอ้ตัวนี้มันเดินไปห้องน้ำนะไปยืนฉี่ผู้ชายก็ต้องยืนฉี่นะแต่ไม่ได้ยกขาข้างหนึ่งนะนะยืนฉี่แล้วก็แม้พชีเสร็จนี่โดยธรรมชาติใช่หห้องสุ ข, ขาเข้าไปแล้วมีความสุข ทันทีที่เกิดความสุขสมาธิจะเกิดนี่เคล็ดลับนะเนะี่ยไม่รักกันจริงไม่บอกนะมันหน้าอับอายไขยหน้า <c oughs> ยืนฉีนะฉ่นนะพอฉี่เสร็จไหมมันมีความสุขใช่ไหยพอมีความสุขปุ๊บใจตั้งมั่นนะเห็นเลยจิตมีความสุขกลับมาดูจิตได้ละเดินกลับมาเนี่ยถ้ารู้จิตได้ชัดก็รู้จิตไปถ้ารู้จิตยังไม่ชัดเห็นร่างกายเดินนะนี่ดูจิตไม่ได้ดูกาย เดินมากลางทางเจอเพื่อนทักทายคุยสนุกรู้ว่าสนุกแล้ดูได้ละกลับมาตั้งใจทำงานต่อพอมาเห็นงานรู้สึกขี้เกียจรู้ว่าขี้เกียจเนี่ยตั้งใจทำงานไปนี่ภาวนาอยู่อย่างเงี้ยรับราชการ เ, เลิกสี่โมงครึ่งสมัยนั้นพอสี่โมงนะเริ่มรีแลกนะสี่โมงเริ่มสบายใจละ ใ, ใกล้เวลาสบายใจแนละเริ่มรู้สึกตัวะไรไหมพอมีความสุขบสมาธิเกิด จำไหมนะสมาธิเกิดจากความสุขสมาธิไม่ได้เกิดจากการบังคับให้เกิดยิ่งพยายามบังคับสมาธิจะไม่เกิดเพราะจิตใจไม่มีความสุขต้องมีความสุขนะหลวงพ่อนี่เลยเป็นสุขาปฏิปทาภาวนาแล้วมีแต่ความสุขนะบางคนบอกว่าสอนผิดซะด้วยซ้ําไปทําไมไม่สอนเรื่องทุกข์ทุกข์มันหมูสุขสิถ้ามันไม่ทุกข์เมื่อไหร่มันก็สุขไว้ น, นั่นแหละ อยู่ในทำเนียบรัฐบาลนะั้นเดินยิ้มกระดินฟ้าอากาศได้ทุกวันเลยขึ้นชื่อลือชาเลยใครๆเขาเห็นเรารู้สึกทำไมมีความสุขหนละ่ะคนนี้มีความสุขมากนะเขาปฏิวัติกันมายุติทำเนียบไว้นะคนแตกตื่นวิ่งกระเจิงกระเจิงเราดูดูยังไม่ต้องหนียังไม่ต้องรีบตอนนี้ยังไม่จําเป็นนั่งเล่นๆ น, นั่งคุยๆเดินไม่ต้องทํางานแล้วอู้ได้ <laughs> ปิดตู้ปิดอลไรให้เรียบร้อยนะเดี๋ยวมันมางัดตู้ เสร็จแล้วฟังวิทยุไปฟังข่าวฟังฟังอ้อเรารู้แล้วอ้อสบายละก็เดินลงมาอย่างมีความสุขต้องรีบลงแล้วอยู่นานกว่านั้นเดี๋ยวโดนจับเป็นตัวประกัน <c oughs> ลงมานะทักทายทาหารผูกผ้ามาทาหารปฏิวัติมาไล่จับตำรวจไป <c oughs> ตำรวจเฝ้าทำเนียบดันเปิดประตูให้เขานะ ตอนหลังเลยแป๊กอยู่หลายปีตำรวจนั่นไปเจอทหารทักทายไงยน้องยังไม่หนีเหรอเดี๋ ย, ยบีนะ่าจะมาทิ้งระเบิดที่นี่นะไม่หนีเหรอแหย่มันเล่นนะโอ้มันสัน่นถือปืนอยู่นะพี่ไปก่อนนะอยู่ไม่ได้ละเดี๋ยวโดนระเบิดนี่ช่วยรัฐบาล น, นิดหน่อยทําลายขวัญนะ นี่เราหัดดูของเรานะมีความสุขดูเขายิงกันตูมสาบก็มีความสุขนะ <c oughs> มีการเนี่ยเขายิงกันเอารถถังมายิงวิทยุคนหนึ่งนะดูสิเอารถถังมายิงเสาวิทยุยิงผิดนะ้ยิงมาลงเมืองนนลูกปืนมาตกอยู่รอบรอบบ้านลูกพ่อ <c oughs> ตอนนั้นออกจากคำเนียบมามันกบฏบ่อยเหลือเกินยุคนั้นะ ไปโอไปทางบกไม่ได้ไปทางเรือไปเจออุปชาตอนนั้นท่านยังเป็นพระครูท่านก็มารอเรือจะหนีรีไพร์เหมือนกั น, นท่านมาวัดนรนาศเสร็จแล้วพ่อก็ยิงกันตุ้มๆนะท่านเลยหนีไปลงเรือท่าเรือเทเวศเลยไปเจอกั น, นก็รอเรืออยู่อุ้ยคนเยอะสักพักหนึ่งลูกศิษย์วันดนรนาศวิ่งมาหลวงพ่อท่านพระครู นิมนต์กลับที่วัดเธอะเขาเลิกลบกันแล้วท่านอ้า่เลิกลแล้วเหรออดีไม่ต้องลงเรือกลับมาพอเข้ากุฏิที่วัด า, ารานาณัสาร์กันเปลียนโอ้ยหัวใจเรา <c oughs> หัวใจเราจะวายเราไม่ค่อยสบายแล้ว <c oughs> มันมันหลอกเรานี่เ <c oughs> นี่ยเลยคุ้นกับท่านมาตั้งแต่นั้นบวชเลยไปบวชกับท่านรีไผ่มาด้วยกัน เราดูของเรานะอะไรเกิดขึ้นก็มีความสุขนะเขายิงกันตุมตามตุมตามเราก็มีความสุขของเราอยู่กันแนหะหนีก็หนียังมีความสุขเวลาเตี่ยตายยังมีความสุขเลยเออม่เห็นพ่อเราหายใจอย่างเนี้ยคนจะตายหายใจด้วยไหล่หายใจด้วยไหลาหายใจด้วยไหลเพราะกระบางลมเนี้ยไม่มีแรงหายใจแล้วแม้โดยธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตนะรักชีวิตที่สุดเลย หายใจด้วยกระบังลมไม่ไหวแล้วปกติเราหายใจด้วยกระบังลมนะหายใจไม่ไหวเราก็มาหายใจด้วยไหลาหายใจด้วยไหลไม่นานก็ตายถ้าตายปุ๊บจิตเบิกบานนี่เขาตายให้ดูละมันฝึกไว้นะฝึกไว้โลกจะแตกใครจะทําอะไรยังไงนะมันจะมีความสุขอยู่ได้มีความทุกข์ก็ไม่นานหรอกสมมติมีความทุกข์รุนแรงนะก็อยู่ช่วครั้งช่วคราวภาวนาสักพักหนึ่งก็กลับฟื้นขึ้นมาได้อีก ถ้าเพียนทําไปไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งของเราได้นอกจากธรรมะหรอกที่ท่านบอกตนเป็นที่พึ่งแห่งตนก็เราภาวนาเอาเองแล้ธรรมะเนี่ยมันมาช่วยเราเป็นที่พึ่งของเราได้แล้วเราได้ธรรมะมาก็เพราะว่าเราทําของเราเองไม่มีใครให้เราท่านถึงว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนจริงๆตนไม่มีหรอกแต่โดยโวหารสอนคนที่มีตัวมีตนเหนียวแน่นก็ต้องสอนว่ามีตัวตน ตนเป็นที่พึ่งแห่งตนเรียนธรรมะไปจนเห็นว่าไม่มีตัวมีตนจิตใจมีแต่ความสุขนะประหลาดยิ่งภาวนายิ่งมีความสุขเนีย่ยดูก่อนโยมที่ตอบว่าเราว่าไม่สอนเรื่องทุกข์มาไหมไม่มาหนะ้าวันนี้ถ้ามาจะได้เปลี่ยนเวอร์ชั่นโลกนี้เต็มไปด้วยความทุกข์นะ <laughs> กายก็ทุกข์ใจก็ทุกข์นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรตั้งอยู่นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับไป มันถูกทั้งคู่นะมันถูกพลมุมเหมือนเหรียนอันเดียวกันนะพูดในแง่ของขันมีแต่ทุกข์ล้วนๆนะพูดในแง่ของจิตของผู้ภาวนาที่พลากออกจากขันแล้วนะห่างทุกข์ออกไปเรื่อยๆมีแต่ความสุขมากขึ้นเรื่อยๆนะสุดท้ายพลาดออกจากขันเด็ดขาดถึงนิพพานเห็น ไ, ไหมนิพพานนางปลมังสุ ข, ขังพระพุทธเจ้าไม่ได้บอกว่านิพพานังประมังทุก ข, ขังตัเมื่อไหร่นะก็ช่วยไม่ได้เราภาวนาแล้วมีความสุขนี่นะครฝึกนะใครอฝึกไป วันนี้ไม่ค่อยได้ตรวยกันบ้านเพราะคนเยอะทางกว้างๆตรวจซะไหนก็ได้คนสูงเดินอุตสามาไกลมาลําบากภาวนาดีนะไม่ดุยสงไรครับอาจารย์เรื่อยๆครับ <c oughs> ทำไปเรื่อยรู้สึกไปเรยแต่ใจไม่ตั้งมัน่น <c oughs> ใจใจอ่อนไปนิดนึงรู้สึกไหมใจไม่ตั้งมัน่นแต่อย่าเกล็งขึ้นมานะ ให้ hey, รู้ว่าไม่ตั้งมั่นแล้วมันตั้งมั่นเอง mm hmm. อย่าไปจงใจดึงให้ตั้งมั่นถ้าจงใจดึงแล้วแข็งเลยถ้าแข็งแล้วไม่มีความสุขพอไม่มีความสุขสมาธิไม่เกิดก็พยายามจะท่องพุทโธบ้างบางครั้งนะครับจำกับลงไปเอาพุโทโธไว้ก็ได้ไม่มีอะไรทํำก็พุโทโธไปทําอะไรไม่เป็นก็พุโทโธไว้ถ้าใจไม่เอาพุโทโธก็หาคําอื่นที่ชอบใจ กลวงพ่าเกษมสอนก็เอ้ยก็ไก่พ่อไก่ อ, อยู่ในเล้านะเดย่างนี้นะถึงหอนุฮูกตาโตเลยก่ <c oughs> นเราเด็กเราไม่เข้าใจแล้วฟังท่านเรากลุมใจเ <c oughs> นี่ยคนศาสนาอื่นดูถูกตายเลย <c oughs> ที่แท้ท่านก็เก่งของท่านดูไปเรื่อยใจไม่ตั้งมั่นนะแต่ว่าดีรู้สึกไมโปร่งโล่งเบาแต่ตรงที่พยายามจะให้ตั้งมั่นอยู่แข็งเกินให้แค่รู้ว่าใจมันรู้อยู่นอกๆไม่ถึงฐาน รู้สึกไหมมันรู้นอกๆมันไม่เข้าที่มันเอาจูนอภาพไปก็เอเอจนดูดู ด, ดูดูเนี่ยค่ะช่วงที่นั่งดูพยายามนั่งดูเนี่ยมั น, จ, มนจิตวันนี้จิตวันนี้กับเมื่อวานต่างกันยังไงวันนี้เบาสบายกว่าค่ะดิกว่าใช้ได้จบค่ะใช้ได้พูดไปเดี๋ยวฟุง้ง ก็วันนี้ตอนเช้ามีโมหะค่ะหลวงพ<ม>่อแล้วก็ตอนนี้รู้สึกว่ามันมันน้อยกว่าเมื่อเช้านิดนึงนะคะ่ะอะน้อยโมหะแต่ก็มีอยู่เนี่ยหลวงพ่อพยายามเปิดไฟเ่อไปถ้ามั ว, ม, วมัวต้องเปิดสปอตไลท์ด้วยมันทำให้อัลเลร์แต่ว่ามันหเห็ น, ว, นว่ามีความกลัวค่ะหลวงพ่อคือมันคือมันเห็นชีวิตตัวเองเห็นชีวิตคนอื่นปุ๊บเนี่ยมันกลัวมากเลยนะนั่นแหละ มันมีปัญญาที่เรียกว่าพระยะตูปัฏฐานยาณชื่อน่ากลัวมั้งกันไหมยานเห็นไัยเห็นถึงความน่ากลัวนะเรามรู้สึกว่าทุกอย่างไม่แน่นอนเลยแล้วมันวิ่งหนีไปเลยไ้เอาลแต่ตรงนี้ไม่ใช่กลัวตรงนี้เรียกว่าคล่ำกลรวนตัวนี้ให้รู้ทันนะกลัวไม่เป็นไรนะกลัวมันเกิดจากปัญญานะเดี่ตรงนี้คล่ำกลวนแล้วนะดูออกกันยังเออกลัวแล้วรู้ไป เราก็เห็นอีกว่ากลัวก็เป็นของถูกรู้ถูกดูต่อไปใจเป็นกลางต่อความกลัวอีกถ้าใจเป็นกลางต่อความกลัวใจก็เป็นกลางต่อทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อใจเข้าถึงความเป็นกลางไม่ยินดีไม่ยินร้ายจิตก็จะไม่ปรุงแต่งต่อพอจิตไม่ปรุงแต่งต่อเนี่ยนะพบชาติก็ขาดลงตรงนั้นนหะอริยมรรคก็จะเกิดขึ้นเพราะคําว่าพบก็คือการทํางานการปรุงแต่งของจิตนั่นเองมันปรุงแต่งขึ้นมาได้เพราะมีตัณหามีตัณหาคือความอยากใช่ไหม ทำไมมันอยากอ่ะเพราะมันยินดีเพราะมันยินร้ายมันยินดีมันก็อยากได้มันยินร้ายมันก็อยากผลักมันยินดียินร้ายขึ้นมาเพราะอะไรเพราะถ้ามันมีความสุขมันก็ยินดีเพราะถ้ามันมีความทุกข์มันก็ยินร้ายทําไมมันมีความสุขมีความทุกข์ได้เพราะมันมีผัสสะมีการกระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ไปนะแล้วมันเกิดความสุขความทุกข์เกิดยินดียินร้ายเกิดตัณหาเกิดการดิ้นรนทางใจแล้วก็เกิดทุกข์ขึ้นมาแต่ถ้า สติเราเร็วตาหูจมูกลิ้นกายใจโดยเฉพาะใจกระทบอารมณ์นะความยินดียินร้ายเกิดขึ้นมาห้ามไม่ได้หรอกเพราะว่าเวทนามันเกิดทันทีที่กระทบทางใจนั้นก็เกิดสุขเกิดทุกข์เกิดเฉยๆได้เท่านั้นแหละพอมันเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดเฉยๆขึ้นมาเนี่ยถ้าเกิดสุขมันก็ไปยินดีเกิดทุกข์มันก็ไปยินร้ายตัวนี้ให้เรารู้ทันถ้ารู้ทันตรงกระทบก็รู้แต่อย่าจงใจรู้ที่กระทบ ถ้ารู้เองไม่เป็นไรห้ามจงใจรู้นะรู้ตรงกระทบนี่อันตรายมากเลยนักปฏิบัติจํานวนมากรู้ที่กระทบตากระทบหูกระทบนี่ยิ่งไปใหญ่เลยแล้วใจจะไม่มีอะไรมากระทบเลยใจจะนิ่งอยู่งั้นนึกว่าเป็นพระอรหันต์ไปเลยเพราะฉะนั้นให้มันกระทบเข้ามาให้มันกระเทือนเข้ามาที่ใจนี่แล้ใจมันยินดียินร้ายขึ้นมานี่ให้รู้ทันมันตรงนี้พอรู้ทันลงไปนะใจก็ไม่ปรุงแต่งต่อใจก็ไม่สร้างกรรมไม่ทําสร้างกรรมคือไม่สร้างภบขึ้นมา ก็ไม่มีความทุกข์อะไรรู้ยังมีความสุขอยู่อย่างนั้นแหละนะเห็นขันมันก็เป็นทุกข์ไปใจก็มีความสุขไปถ้ารู้ตรงที่มันยินดียินไลยไม่ทันไม่มีความอยากเรารู้ทันความอยากก็ยังใช้ได้นะถ้ารู้ทันความอยากไม่ได้จิตใจจะเริ่มทำงานแนละ้วเริ่มปรุงแต่งแนละ้วปรุงดีปรุงชั่วนะถ้าหลงตามกิเลสก็ปรุงชั่วหลงเพลินไปนะถ้าเป็นนักปฏิบัติก็หลงดีบังคับกายบังคับใจ ทันทีที่เกิดความปรุงแต่งคือการสร้างภพขึ้นมาความทุกข์ก็เกิดขึ้นมาเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะภาวนาให้ดีให้วิเศษแค่ไหนนะก็คือการสร้างภพไม่สามารถข้ามภพข้ามชาติไดนะ้เพราะว่ า, าการที่จงใจไปปฏิบัตินะนะั่นแหะคือการสร้างภพขึ้นมานะแต่ถ้าเรามีสติรู้ทันใจมีความยินดียินร้ายรู้ทันขึ้นมานะใจไม่ทํางานต่อไม่สร้างภพอะไรอย่างเราเห็นความน่ากลัวเกิดขึ้นเรารู้ด้วยความเป็นกลางกรมันนะจิตใจไม่ได้ถูก ความอยากให้ความน่ากลัวนี้หายไปครอบงําไม่ถูกครอบงําใจไม่ทํางานต่อใจไม่ทํางานต่อเรียก ว, ว่าใจไม่สร้างพบพาใจไม่สร้างพบพบเดิมที่ดํารงอยู่ดับลงไปพบใหม่ไม่เกิดขึ้นมานะจิตก็หลุดอกอกจากพบชั่วขณะอริยมรรคก็เกิดขึ้นมาไม่เห็นมีอะไรเลยเท่านี้เองนะง่ายๆอย่าไปปรุงมันก็แล้วกันให้รู้ความปรุงแต่งของจิตอย่าไปปรุงมันซะเองเพราะปรุงเองคือสร้างพบ นักปฏิบัติก็สร้างภพขอนักปฏิบัติภพขอนักปฏิบัติหน้าตาเหมือนๆกันทั้งโลกเลยคือบังคับกายบังคับใจมีแค่นั้นแหละไม่เกินนี้หรอกนี่กว่าจะสรุปออกมาได้นะเก็บข้อมูลมาเยอะนะอ <c oughs> าศัยสังเกตเอาเยอะแยะเลยตอนหลังมาอ่านพภิธรรมทษเสียเวลาสังเกตในอภิธรรมเขาก็สอนไว้เหมือนกันแต่ถ้าไม่ไปสังเกตมาก่อนนะไปว่าตามตำราใจมันไม่เชื่อนะรู้สึกตำราจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ย นี่เราเห็นของเรามาอย่างเงี้ยแต่รเราก็ไม่กล้าพูดไปเจอตำรามันตรงกันถึงได้กล้าพูดขึ้นมาห้าใจมันสร้างภพแปดโมงเป๊ะเลยเชิญไปทานข้าวไป